สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทรกรคนชอบเล่าวันนี้ผมมีนิทานมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแต่ไม่ใช่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับลองไปฟังกันดูครับเมื่อนานมาแล้วยังมีพญาเสือโคร่งตัวหนึ่งซึ่งเป็นเสือโคร่งที่กาลังเข้าสู่ใบหนุ่ที่จริงเขาไม่ใช่พญาเสือโคร่งหรอก แต่ด้วยนิสัยที่เกะกะร่ารานและใจร้อนไม่ใช่น้อยของเขานี้ทําให้เขาทรนงตนมากว่าเขานี่คือพระยาเสือโครงในตอนกลางวันที่แดดร้อนอบอ้าวเจ้าเสือโครงตัวนี้ก็ชอบไปนอนหลับที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ชายทุ่งต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่่มเย็นสบายเป็นอย่างยิ่งสาหรับอาณาบริเวณ น, นั้นบรรดากระรอกกระแตและนกนานาชนิด บางครั้งก็มีฝูงลิงบ้างต่างก็ชอบมาเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่นี้เป็นประจำแต่ไม่มีสัตว์ได้รู้เลยว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ชายทุ่งต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีรูกระเทวดาสิงสถิตอารัก์อยู่วันหนึ่งขณะที่เจ้าเสือโคร่งกาลังนอนหลับสบายอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่นี้ก็มึงเอิญมีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งลนใส่สศีรษะของเจ้าเสือโคร่งพอดีความจริงแล้วกิ่งไม้นั้นก็เป็นแค่เพียงกิ่งไม้เล็กๆ ที่ถูกเถาวันตรึงจนปริหักและมาถูกลมพัดพิมพ์เบาๆกิ่งไม้ก็ร่วงหล่นมาได้อย่างง่ายดายกิ่กงไม้ไม่ได้ทําให้มันเจ็บปวดนักแต่ด้วยความที่ทําให้มันตกใจจนถึงต้องผวาตื่นและกระโจนหนีสุดตัวเพราะคิดว่าตัวเองจะมีศัตรูมาทําร้ายในที่สุดไม่เห็นว่าเป็นเพียงกิ่งไม้เล็กๆแค่เพียงกิ่งหนึ่งเท่านั้นแทนที่เจ้าเสือโคร่งจะนอนหลับต่อไปอย่างสบายใจมันกลับโกรธแค้นและกล่าวขึ้นว่า โถเอ้ยเจ้ากินไม้กระจอกบางอาจตกลงมาใส่หัวของข้าได้แสดงว่าเจ้าจงใจแกล้งกันดินะเจ้าเสือโคร่งเกเรคิดพานจะแก้แค้นต้นไม้ใหญ่จึงกล่าวอาฆาตอย่างแรงว่าเอาละสักวันหนึง่งข้าจะแกล้งเจ้าบ้างคอยดูนะวันต่อมาเจ้าเสือโคร่งเกเรเดินเล่นเข้าไปในป่าก็ได้พบกับกลุ่มของช่างไม้จากวังหลวงสามคน กลังเดินเสาะหาไม้อย่างดีกันอยู่อย่างเพลิดเพลินจังหวะนั้นเจ้าเสือโคร่งกําลังหิวอยู่พอดีมันจึงตะบบร่างช่างไม้ข้อร้ายคนหนึ่งเข้าแล้วก็ฉีกเนื้อกินอย่างอิ่มหําสําราญจากนั้นก็ค่อยๆย้อนไปหาช่างไม้อีกคนนึงซึ่งยังไม่ทันจะรู้ตัวดี่นะช่างไม้จงฟังข้าเสียงของเจ้าเสือโครง่งพูดออกไปอย่างนั้น ครั้นช่างไม้หันไปเห็นว่าเป็นเสือโครงก็ตกใจถึงกับเขาอ่อนสุดลงนั่งเจ้าเสือโครงได้เห็นก็หัวเราะชอบใจพรังบอกว่าอย่ากลัวข้าไปเลยข้าไปกินเจ้าหรอกเพราะวันนี้ข้าอิ่มแล้วเนื้อของเพื่อนเจ้าไม่ค่อยหวานนักแต่ก็พอกินได้ทำให้ข่าได้อิ่มในพอสมควรเอาละ่ะนี่เจ้ามาหาไม้จะไปทำอะไรกันหรือช่างไม้รีบตอบอย่างตัวสั่นกันงกว่า เออเออ เ, ออเราจะมาหาไม้ไปทําพระที่นั่งให้พระเจ้าแผ่นดินจะพอซื้อโครงจ๋าเจ้าเสือโครงได้ฟังเช่นนั้นก็เอ่ยขึ้นมาว่าเฮอเฮ่ ö, ข้าเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นไม้เนื้อดีเหมาะที่จะเป็นพระที่นั่งของพระราชาได้ขอให้เจ้านํากําลังพลไปตัดต้นไม้นั้นซะเถอะข้าจะพาเจ้าไปดูสนใจไหมล่ะแต่ถ้าเจ้าไม่ทาตามคําขอร้องของข้ารับรองว่าเจ้าจะต้องกลายปเป็นอาหารของข้านนแน่ ถ้าหากว่าข้าได้เห็นเจ้าในป่านี้อีกช่างไม้ได้ฟังเช่นนั้นก็รีพยักหน้ารับคำอย่างลนลานว่าเออเ อ, อได้จะพอพอเสือโครงพอเสือโครงข้าจะเชื่อฟังท่านและหลังจากนั้นเสือโครงก็เดินนำหน้าช่างไม้ทั้งสองไปยังต้นไม้ใหญ่ที่ชายทุ่งเพื่อไปดูต้นไม้ที่ตนเองนั้นรู้สึกแค้นเคืองป็นอย่างยิ่งที่กิ่งไม้ของมันได้หล่นลงมาใส่หัวโอกาสได้แหละ จะเป็นโอกาสเดียวที่ทำให้เจ้าเสือนี้แก้แค้นได้และหลังจากวันนั้นอีกประมาณสองสาวันช่งางไม้ก็นากำลังพลมาตัดต้นไม้ใหญ่นั้นจนโค่นลงไปในที่สุดฝ่ายรุกรเทวดาซึ่งสิงสถิต ร, รักษาต้นไม้นั่นอยู่ก็ต้องละจากต้นไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของตนมาเป็นเวลาช้านานถึงแม้ท่านจะเป็นรุกรเทวดาแต่ท่านก็ยังมีอารมณ์โกรธเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์จากที่เคยอยู่อย่างสงบสุขมาช้านาน อยู่ๆก็ต้องมีอันต้องมาละทิ้งจากที่อยู่ไปเพราะว่าเจ้าเสือร้ายนี่เป็นเหตุลุกเทวดาพระองค์นั้นรู้สึกแค้นเคืองในใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันวันเวลาผ่านไปไม่นานนักเมื่อช่างไม้ได้วังพากันทําพระที่นั่งของพระราชาสําเร็จเรียบร้อยวันหนึ่งลุกเทวดาก็แปลงร่างเป็นชายชราเดินเข้าไปหาหัวหน้าช่างไม้ว่าพวกท่านในไม้เนื้อดีมาทําพระที่นั่งเช่นนี้ ก่อนอ่าจะมีหนังอย่างดีมาปูรองมันถึงจะเข้ากันนะหัวหน้าช่างไม้ได้ฟังนั้นก็เห็นด้วยจึงเอ่ยถามว่านั่นนะสิแต่ว่าจะใช้หนังอะไรดีจึงจะเหมาะกับไม้เนื้อดีเช่นนี้เฮ้ยท่านลุงชายเชราจึงเอ่ยแนะนําว่าหนังของเสือโค้งนะสิจึงจะดีและสมพระเกียรติอีกทั้งยังสมกับลักษณะเนื้อไม้เช่นนี้ด้วยเชื่อคาเถอะขาอยู่มานาน มันเหมาะสมอย่างยิง่งและเราจะไปจับเสือโครงกันได้ยังไงล่ะลุงหัวหน้าช่างไม้ไดเอ่ยถามอย่างสนใจชายชายราจึงตอบว่าพวกท่านจำต้นไม้ที่ท่านไปตัดเมื่อคราวก่อนได้ไ้มละ่ะขอให้ท่านนำคนไปที่นั่นก่อนแล้วกันตเตรียมเนื้อสัตว์สักชิ้นใหญ่ๆ ใ, ใส่ยาเบือเข้าไปด้วยให้เจ้าเสือโครงตัวนั้นมันกินเมื่อมันสลบสิน้นฤทธิ์ไปแล้ว พวกท่านก็จัดการข่ามันเพื่อเอาหนังมาได้อย่างสบายใจและง่ายดายหัวหน้าช่างไม้ได้ฝั่งเช่นนั้นก็รีบสัรุบน้องให้ตะเตรียมเนื้อแกะชิ้นใหญ่โรยด้วยยาเบือและหลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปยังชายทุ่งทันทีวันนั้นเจ้าเสือโคร่งกําลังเดินวนเวียนอยู่ที่ตอไม้ใหญ่อันเป็นตอไม้ของต้นไม้ที่เคยแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่มันให้มันได้นอนหลับสบายอยู่ทุกวี่ทุกวัน นึกไปนึกมาเจ้าเสือโครงก็นึกเสียดายลึกๆว่าบัดนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแล้วซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจะนอนเล่นที่ไหนได้อีกมันจึงได้แต่เดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณตอไม้ใหญ่นั้นสักพักหัวหน้าช่างไม้ก็นำกำลังพลมาถึงพอดีเมื่อเห็นเสือโครงก็เอ่ยขึ้นว่านี่แน่นี่แน่พอเสือโครงเอ๋ยข้านาเนื้อแกะสซนน มาให้เป็นการตอบแทนดีเจ้าในแนะนำให้กาาตัดต้นไม้ชั้นดีไปทำพี่นั่งถวายพระราชามากินเสียสิเนื้อแกะเนี่ยอย่างดีเชียวนะเจ้าเสือโคร่งเห็นเนื้อแกะชิ้นใหญ่ก็เกิดความตกะกระจึงรีบตรงไปกินเนื้อแกะที่โรยยาเบื่อไว้สักพักระหว่างกำลังอเรเดอร่อยอยู่ก็รู้สึกอุ๊ยท้องแสบบีไส้รัดปวดท้องราไส้เหมือนขดรัดกันเอง น้ำลายเริ่มฟูมปากลิ้นจะจุบ ป, ปากในไม่ช้ามันก็สิ้นสติสลบสลไปและหลังจากนั้นเราช่างไม้จิงพากันฆ่าเสือโคร่งทันทีแล้วก็ช่วยกันตลกเอาหนังมันไปเป็นที่รองนั่งที่ประทับให้แก่องค์พระราชาปล่อยให้ซากมันเป็นอาหารของอีแรงอีกาต่อไปตรงบริเวณต่อไม้ต้นนั้นนั่นเองนี่แหละนะให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัว อยู่ดีๆไม่ว่าดีเรื่องนี้ก็มีคตินะครับก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยอันเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นขอให้คิดดูให้ดีก่อนนะครับเพราะผลมันอาจจะกลับมาเป็นแบบเจ้าเสือโคร่งตัวนี้ก็เป็นได้จบแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ